เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยดังตรินถามที่มีอาจารย์บางท่านกล่าวถึงโทษของการกราบไหว้พระพุทธรูปและแสดงให้เห็นว่ารูปเคารพไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาจริงเท็จเป็นอย่างไรตอบการนำพระพุทธรูปมาตั้งแล้วกราบไหว้นั้น ถือเป็นรูปแบบของการกระทําอย่างหนึ่งครับทุกรูปแบบในโลกเนี้ยไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีคุณหรือโทษในตัวเองการกระทําอันเกิดขึ้นด้วยเจตนาดีหรือเจตนาร้ายต่างหากที่ก่อให้เกิดคุณหรือโทษมีพระพุทธรูปก่อให้เกิดคุณก็ได้ถ้าใจเคารพและเป็นที่ตั้งแห่งความอ่อนน้อมและมีพระพุทธรูปจะก่อให้เกิดโทษก็ได้ ถ้าใจสำคัญว่าเป็นเพียงสินค้าหรือเครื่องมือประกอบพิธีศัยศาสตร์ประเด็นจริงๆของการมีพระพุทธรูปนั้นไม่สำคัญว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อไรโดยใครแต่สำคัญที่เป็นกำลังใจเป็นเครื่องระลึกอย่างง่ายให้คนทั่วๆไปได้ไหมหากคิดตามอุดมคติว่าพุทธเราควรระลึกถึงพระมหาคุณแห่งบรมมัสดา ด, ด้วยใจไม่ต้องไปสร้างรูปเคารพ อย่างมากก่ออิดเป็นเจดีก็พออันนี้ต้องสำรวจดูด้วยความเป็นกลางคนส่วนใหญ่ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยกําลังที่มากพอได้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่สามารถศึกษาพระธรรมอันลึกซึ้งในพระไตรปิฎกเพื่อให้เกิดความเห็นองค์จริงของพระศาสดาได้ไหมถ้าคำตอบคือไม่ได้ก็ไม่ใช่จะเป็นโทษอะไรหรอกครับหากมีพระปฏิมาไว้เป็นเครื่องระลึก เป็นกำลังใจในยามที่พระาศาสดาท่านไม่อยู่แล้วแน่นอนว่าการมีอยู่ของพระปฏิมาย่อมมีผลข้างเคียงแต่จะหาสิ่งใดในโลกเล่าที่มีแค่ด้านเดียวปรากฏอยู่สรุปลงท้ายก็ด้วยใจความตามย่อหน้าแรกครับไม่มีรูปแบบใดที่เป็นคุณหรือเป็นโทษกับชีวิตเราตายตัวเจตนาที่ตั้งไวด้ดีหรือร้ายต่างหากจะเป็นเครื่องกาหนดว่าชีวิตเราอยู่ดีมีสุข หรือต้องเดือดเนื้อร้อนใจ